แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเกินกว่าปัญญาของผมจะเข้าใจผมต้องขอรัธนาหลวงพ่อช่วยนะครับพระเจริญขอความช่วยเหลือล่วงหน้าตั้งแต่เป็นมกคุเทศมาท่านยังไม่เคยบรรยายได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเท่าท่านพระครูแล้วก็ไม่เคยเห็นพระมกคุเทศรูปใดบรรยายได้อย่างนี้ ท่านคิดว่าจะต้องให้ความสำคัญกับการเจริญพระกรรมฐานให้มากขึ้นจะได้บรรยายได้เก่งเหมือนท่านสมภารวัดป่ามะม่วงคิดดังนี้แล้วจึงเริ่มการบรรยายหลังจากที่ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทตลอดเจวันในสัปดาห์ที่หนึ่งแล้วในสัปดาห์ที่สองได้เสด็จไปประทับยืนหน้าทิศอีสานทรงจ้องดูต้นมหาโพธิ์ไม่กระพิพพระเนตร ที่นั้นเรียกอนิมิตเจดีสัปดาห์ที่สทรงเนรมิต ท, ที่จงกรมขึ้นระหว่างกลางแห่งมหาโพและอนิมิตเจดีเสด็จจงกรมตลอดเจวันที่นั้นเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีสัปดาห์ที่4ประทับนั่งขัดบาลังพิจารณา พระอภิธรรมปิดกนเรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตในทิศพายัพแห่งต้นมหาโพธิ์ที่นั้นเรียกว่ารัตนคระเจดีสัปดาห์ที่หาประทับใต้ร่มไม้ไทรชื่ออาชาปะละนิโครดท่งตอบปัญหาของพรามหูหุกชาติแสดงสมณะและพรามที่แท้ พร้อมทั้งทำทิฏฐิทำให้เป็นสมณะและเป็นพรามสัปดาธีขออนุญาตขัดจังหวะครับผมขออนุญาตกรุณาช่วยขยายความเรื่องพรามหูหุข้ชาติด้วยครับโยมเสงอยากรู้รายละเอียดนิมนต์หลวงพ่อช่วยอธิบายให้โยมฟังด้วยครับ พระมกุเทศโยนต์กลองมาที่สมภารวัดป่ามะม่วงท่านพระครูจึงอธิบายว่าพรามหูหุขชาติก็มีนิสัยชอบตวาดคมคูผู้อื่นด้วยวาจาว่าหึหก็ได้มายังที่นั้นแล้วทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องพรามและทาอันทํำบุคคลให้เป็นพรามพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าพรามผู้ใด ที่บาประทำอันลอยเสียแล้วไม่มีกิเลสเป็นเครื่องขูผู้อื่นว่าหึหึเป็นคำหยาบและไม่มีกิเลสอันย้อมจิตให้ติดแน่นดุดน้ำฝาดมีตนสํารวมแล้วถึงที่สุดแห่งเวทแล้วมีพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วผู้นั้นไม่มีกิเลสเครื่องฟูในโลกแม้น้อยหนึ่งควรกล่าวว่า ตนเป็นพรามโดยธรรมอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มเท่าไรจ๊ะข้ออะไรแม่ชีป่วนถามขึ้นด้วยหวังจะลองภูมิท่านพระครูถ้าเป็นพระสุตตันตปิฎกก็อยู่เล่มที่25ข้อที่21อถ้าเป็นพระวินัยปิฎกอยู่เล่มที่สีข้อที่ห้า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 เพราะฉันไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกที่ถามพระอยากจะลองภูมิท่านแม่ชีตอบตามตรงคนที่จะลองภูมิคนอื่นตัวเองจะต้องรู้ด้วยไม่เช่นนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าที่เขาตอบมานั้นผิดหรือถูกท่านพระครูถือโอกาสสอนแม่ชีหนูอยากฟังพระมกุเทศบรรยายต่อคะ่ะสัปดาห์ที่หก พระพุทธเจ้าประทับที่ไหนคะนางสาวสายยายรักถามขึ้นพระเจริญจึงตอบว่าสัปดาห์ที่หกประทับที่ตใต้ต้นไม้จิกชื่อมุจจรินมีฝนตกมุจจรินเป็นนาคราศมาวงขนดแผ่พังพานปกป้องพระองค์ทรงเปร่งอุทานแสดงความสุขที่แท้ อันเกิดจากการไม่เบียดเบียนเป็นต้นสัปดาห์ที่เจ็ดประทับใต้ต้นเกตชื่อราชายตนะพอค้าสองคนคือตปุตตะและพลิกะซึ่งเดินทางมาจากอุ ก, กะกละชนบทได้เข้ามาถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงและได้แสดงตนเป็นปฐมอุบาสก ถึงสารณะสองคือพุทธสารณะและธรรมสารณะทำไมไม่ถึงสังฆสารณะด้วยครับทำไมถึงได้แค่สองอุบาสกหนุ่มที่หมายปองนางสาวสายยายรักถามขึ้นเขาไม่รู้ดอกว่าได้ปล่อยกายตัวบือเริ่มออกไปเพราะในเวลานั้นมีสารณะเพียงสอง สังฆสารณะยังไม่มีพระเจริญตอบแล้วจึงอธิบายต่อว่าเมื่อสิน้นสัปดาห์ที่เจ็ดจึงเสด็จกลับไปประทับใต้ตนอาชา ป, ปารานิคโครธอีกทรงดำริถึงความลึกซึ้งแห่งธรรมที่พระองค์ตรัสรู้คือปฏิจจสมุปบาทและนิพพานและน้อมรัตไทยที่จะไม่แสดงธรรม เป็นเหตุให้สหบดีพรหมกราบทูลอาราธนาและหน้าที่นี้เช่นกันได้ทรงพระดำริเกี่ยวกับสติปัฏฐานสที่เป็นเอกายตนะมรักษ์และอินทรีห้าอันมีอมตะธรรมเป็นที่หมายเอกายตนะมรักษ์อินทรีห้าและอมตะธรรมคืออะไรคะ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 สมติกกมายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังขมายะยายัสสะอัธิคมายะนิพพานสัสสะสัจิกะริยายะยะทิทังจัตตารโรสติปัฏฐานาจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบและเล่มที่สิบสองแม่ชีปวนกำลังจะถามว่า ข้ออะไรท่านพระครูรู้จริงๆบอกเสียก่อนว่าถ้าอยากรู้ว่าข้ออะไรให้ไปอ่านเองคืนบอกหมดก็จะไม่อ่านแล้วอินรี่ห้าคืออะไรคะโยมผ่องใสาถามอีกอินรี่ห้าแปลว่าความเป็นใหญ่สภาพที่เป็นใหญ่ในกิจของตน หรือทรรมทิศเป็นเจ้าการในการทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอินซีห้าได้แก่ศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินซีเป็นเจ้าการในการกรอบงามเสียซึ่งทำทิศตรงกันข้ามแต่ละอย่างคือความไร้ศรัท ธ, ธาความเกียจคร้านความประมาทความฟุ้งซ่านและความหลงงมงาย ตามลำดับแม่ชีความประมาทเป็นธรรมถิตรงกันข้ามกับอะไรท่านถามแม่ชีป่วนไม่ทราบค่ะแม่ชีตอบตรงข้ามกับสติค่ะนางสาวสายใหญ่รักตอบเมื่อเห็นว่าแม่ชีป่วนตอบไม่ได้แม่ชีวัยห0สิจึงคว้างค้อนใส่หญิงสาวอายุคราวลูก ความไร้ศรัทธาเป็นธรรมทิฏฐิตรงกันข้ามกับศรัทธาความเกียจคร้านเป็นธรรมทิฏฐิตรงกันข้ามกับวิริยะความฟุ่งซ่านเป็นธรรมทิฏฐิตรงข้ามกับสมาธิและความหลงงมงายเป็นธรรมทิฏฐิตรงข้ามกับปัญญาครับโยมเสงช่วยตอบส่วนที่เหลือแม่ชีปวนจึงหันไปคว่างค้อนใส่โยมเสงอีกคนหนึ่ง หลวงพ่อคะฉันอยากฟังหลวงพ่อบรรยายรู้สึกว่าปัญญาเกิดขึ้นบ้างแล้วหลวงพ่ออธิบายเอกายนมามมรกับอินทรีห้าทำให้ฉันหาคำตอบได้ว่าอมะตะธรรมคืออะไรโยมผ่องใสพูดด้วยเสียงใสๆอย่างที่ไม่เคยใสายมาก่อนโยมหาคำตอบได้ว่าอย่างไร อมตะธรรมคืออะไรท่านพระครูถามคือนิพพานค่ะอมตะธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่ตายซึ่งก็คือนิพพานเพราะนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ตายค่ะเก่งมากอาตมาขอชมเชยเอรู้สึกว่ามีแต่โยมทิ่ถามแสดงว่าพระท่านเข้าใจดีถึงไม่ถาม พระทวตรีบตอบว่าถึงเข้าใจก็ไม่ดีก็ไม่กล้าถามครับเพราะกลัวว่าจะอายโยมผมรู้สึกว่ายโยมที่มาคณะนี้เก่งกันทุกคนเล่นเอาพระอย่างพวกผมต้องอายไปตามๆกันหรือท่านขุนทศกับท่านรสสุคนว่ายอย่างไรท่านถามเพื่อนบรรพชิตอีกสองรูปผมเห็นด้วย โยมคณะนี้เก่งกันทุกคนอย่างที่ท่านทวัดว่าผมรู้สึกอายซะแล้วกลับไปเห็นจะต้องเล่าเรียนศึกษาให้มากกว่านี้จะได้ไม่อายโยมพระคุณทดพูดเดี๋ยวนี้ญาติโยมเก่งเรื่องธรรมะเก่งกว่าพระสิอีกพระรสสุคนเสริมท่านพระครูจึงพูดความจริงตามที่เห็นว่า ท่านฟังผมพูดนะผมไม่ใช่มอดูแต่ผมขอทํานายว่าในอนาคตครหัดจะรู้ธรรมมากกว่าบรรพชิตเพราะบรรพชิตพากันไปรู้เรื่องทางโลกมากกว่าที่จะศึกษาทางธรรมจนกลายเป็นว่าถ้าอยากรู้เรื่องทางโลกให้ไปถามพระถ้าอยากรู้ธรรมะให้ไปถามโยม ท่านคอยดูว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนหลวงพ่อวัดดอนเมืองรีบสนับส น, นุนเอาละเมื่อได้ข้อสรุปแล้วทีนี้ผมก็จะถามมกุเทศว่าในพระพุทธศาสนากล่าวถึงพระเจ้าสวยวิมุตติสุขเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์นั้นอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรและตรงกับอธิคตาหรือไม่ พระครูเจริญถามพระเจริญผมจำไม่ได้ครับว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรจำได้แต่ว่าตรงกับอัิกถาเพราะในพระไตรปิฎกกล่าวถึงเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่หนึ่งและสัปดาห์ที่ห้าถึง7ส่วนเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่สองถึงที่สีนั้นเป็นส่วนที่พระอัิกถาาจารย์กล่าวแทรกเข้ามาถูกแล้ว เหตุการณ์ตอนสเสวยวิมุตติสุขหลังตรัสรู้ปรากฏในมหาวักแห่งพระวินัยปิฎกซึ่งเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่4ีส่วนเรื่องดำริของสติปัฏฐานและอินทร์มาในสังยุตตนิยมหาวักซึ่งเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่19แม่ชีไปอ่านเสียจะได้ไม่ต้องถามว่าข้อเท่าไร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 เรื่องปฏิบัติฉันก็ไม่มีเวลาอีกนั่นแหละแม่ชีสารภาพถ้าอย่างนั้นก็บอกอาตมาสิว่าแม่ชีมา อ, อยู่ที่นี่ทําอะไรบ้างฉันก็ทําอาหารถวายพระพอตกบ่ายก็มาสวดมนต์ที่นี่ฉันสวดมนต์เก่งนะ่ะยอดพระกันไตปิดดกฉันก็สวดได้แม่ชีอวดแต่ไม่มีเวลาปฏิบัติ ก็ไหนว่าเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์แม่หลวงพ่อลูกศิษย์ก็ต้องมีดีบ้างเก้บ้างฉันเป็นพวกเก้จ่ะลูกศิษย์ของหลวงพ่อดีหมดทุกคนหรือเปล่าล่ะแม่ชีย้อนถามไม่หมดดีมีน้อยแต่ที่เก้ยอย่างแม่ชีมีเยอะท่านพระครูตอบ พระมกุเทศเห็นว่าท่านพระครูกับแม่ชีปวนก็คงจะถกเถียงกันอีกนานจึงพูดตัดบทว่าเอาละ่ะวันนี้เราได้ความรู้กันพอสมควรแล้วทีนี้เราก็จะไปทัศนศึกษากันทางฝั่งโน้นของแม่น้ำเนรรัญชาราจะต้องเดินลุยข้าแม่น้ำไปรถจะไปส่งจุดที่ใกล้ที่สุดจากนั้น เราก็จะลงจากรถแล้วก็เดินลุยข้ามแม่น้ําในรัญชาราไปบ้านพระนางสุชาดาซึ่งอยู่หมู่บ้านเซนานิคมพระนางสุชาดาคือทิดานายบ้านที่ถวายข้าวมัทูปายาดเจ้าชายสิทธัตถะในวันตรัสรู้ท่านพระครูรู้สึกแปลกหูกับคำพระนางสุชาดาเพราะในพุทธประวัติมีกล่าวถึง นางสุชาดาไม่มีคำว่าพระไปกันเดี๋ยวนี้ใช่ไหมจ๊ะโยมผ่องใสาถามขึ้นเดี๋ยวนี้เลยกราบต้นมหาโพแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อเมตตาจากนั้นก็เดินทางไปขึ้นรถบัสอาตมาขอเตือนว่าเมื่อไปถึงชายฝั่งแม่น้ำให้เดินอย่างระมัดระวังประเดี๋ยวจะไปเหยียบกับระเบิดแขกเข้า มีกับระเบิดด้วยเหรอครับอุบาสกหนุ่มถามได้เกรงจาไม่ปลอดภัยในชีวิตขี่แขกนะคุณไม่ใช่ระเบิดจริงๆหรอ ok. กพวกแขกมันมานั่งขี่อยู่ริมแม่น้ำถ้าเดินไม่ระมัดระวังก็จะไปเยียบเข้าแม่ชีป่วนอธิบายในฐานะคนในพื้นที่อย่างนั้นห ร, อหรือครับผมคิดว่าเป็นระเบิดจริงๆ ผมมาสแสวงบุญนะครับไม่ได้มารบทับจับศึกพูดแบบห่วงอะไรในชีวิตไม่ต้องกลัวหลอกโยมเรามาอยู่ในพุทธภูมิคือในเด่นแดนที่พระพุทธเจ้าพระพุทธานุภาพย่อมคุ้มครองแต่ถ้าเรามีกรรมก็จะต้องมาตายณที่นี้ก็ถือเสียดีกว่าไปตายที่อื่นท่านพระครูพูดปลอบให้เข้าหายกลัว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 ไม่มีผู้หญิงเลยแม่ชีคะทำไมแขกเขาชอบนั่งทับแตงโมนางสาวสายยายรักถามแม่ชีป่วนรู้ได้อย่างไรแม่ชีถามคำถามที่หญิงสาวถามก็เหมือนกับที่แม่ชีเคยถามพระเมื่อตอนมาอินเดียใหม่ๆก็หนูเห็นลูกกลมๆ ม, มันอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขาก็เอาสล่งปิดไว้ หญิงสาวอธิบายตามที่เห็นภาพแม่ชีป่วนตอบด้วยเสียงที่ได้ยินกันทั้งรถว่าไม่ใช่แตงโมอะไรหรอกนั่นมันห้ำแขกพวกแขกห้ำมันโตเวลานั่งก็เลยป่องออกมาดูเผลนเหมือนนั่งทับแตงโมเสียงคนฟังพากันหัวเราะคิกคักทั้งพระทั้งโยม อะไรอีกล่ะแม่ชีไปยุ่งอะไรกับหำแขกพระมกุฎเทศถามยิ้มยิ้มฉันไม่ได้ยุ่งหนูนี่เขาถามฉันว่าทาไมแขกเขาชอบนั่งทับแตงโมฉันก็เลยต้องอธิบายให้เขาฟังตอนฉันมาอินเดียใหม่ๆก็สงสัยแบบเดียวกันนี้เคยถามมาหาหนุ่มรูปหนึ่งที่เป็นมกุฎเทศ ท่านก็น่าแดงเลยและท่านตอบหรือเปล่าท่านไม่ยอมตอบท่านบอกว่าว่ายมอยู่ น, น, นานๆก็จะรู้เองที่นี้พอฉั้นไดเห็นห้ำเจ้าทุกโขฉั้นก็เลยรู้ว่านั่นไม่ใช่แต้งโมผู้ชายแขกเมืองนี้มีเวรมีกรรมนะมีกรรมที่ห้ำโตไปไหนก็ต้องแบกห้ำไปขนาดนั้นเจฉลือรึ แม่ชีไม่ได้พูดเกินความจริงนะอุบาสกหนุ่มไม่อยากจัดเชื่อถ้าพูดเกินความจริงฉันก็มุสาน่ะสิฉันเป็นชีถือศีลแปดจะมุสาได้อย่างไรนั่นคุณเห็นไหมที่ตากอยู่นั่นนะ่ะนั่นแหละคือกางเกงในแขกแม่ชีชี้ไปที่ผ้าสามเหลี่ยมมีสายยาวประมาณหนึ่งเมตร มุมละสายแล้วอธิบายต่อว่าพวกแขกมันจอบตากางเกงในไว้หน้าบ้านไม่รู้มันมีเครสอะไรผมยังนึกไม่ออกเลยว่าผ้าสามเหลี่ยมนั่นจะเป็นกางเกงในได้อย่างไรได้สิคุณเวลามันนุ่ง จะใช้เวลามากกว่ากางเกงในที่เราใส่แม่ชีไปเห็นเข้านุ่งตอนไหนแม่ชีไปแอบดูเข้าวนุ่งกางเกงในไม่อาบัตหรืออุบาสกหนุ่มพูดเสียงติเตียนจะอาบัดได้อย่างไรฉันเป็นชีถือศีลแค่8ดข้อไม่ได้เป็นพระจะได้อาบัดเพราะพระถือศีล227ข้อ แม่ชีกล่าวแก้แล้วแม่ชีไปเห็นแขกใส่กางเกงในตอนไหนละ่ะตอนไปแม่น้ำคงคาเทศกาลอาบน้ำล้างบาปพวกฮินดูไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงแขกเขาก็นุ่งสาหรีไม่มีกางเกงในที่ไม่มีเพราะเขาจะได้ชีได้สะดวก ผู้หญิงแขกเขายืนฉี่นะไม่ได้นั่งฉี่เหมือนผู้หญิงไทยขนาดมาอาบน้าล้างบาบก็ยังยืนฉี่ลงไปในแม่น้านั่นแหละแม่ชีรู้ได้อย่างไรว่าเขาฉี่ก็สาลีมันบางเวลาเปียกน้าเห็นหมดเลยคือเห็นสายมันไหลลงมาจากวางขาแล้วเขาก็วักน้าตรงที่ฉี่ลงไปมันล้าง ล้างหน้าบ้วนปากฉันเห็นแล้วก็จะอ้วกแล้วพวกผู้ชายล่ะผู้ชายก็แก่ผ่าเลยเขาจะวางกางเกงไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำให้ผลัดกันเฝ้าคืนไม่เฝ้าก็ถูกขโมยเพราะพวกแขกที่จนๆจ น, นั่นแหละไม่มีเงินที่จะซื้อกางเกงในอย่างเจ้าทุกโคน่ะ มันจนขนาดไม่มีเงินซื้อกางเกงในแต่มีเงินซื้อเหล้าเวลามันตัดยากก็จะเอาห้ำผาดไว้บนก้อนอิฐจะได้ไม่นักฉันเห็นแล้วรู้สึกทุเรศทุรังที่นี้วิธีนุ่งกางเกงในของพวกแขกเขาก็จะเอาส่วนที่เป็นผ้าพันห้ำไว้แล้วก็เอาส่วนที่เป็นสายนั่นคล้องคอฉันถึงบอกว่า พวกผู้ชายแขกมีเวรกรรมไปไหนต้องแบกห้ำไปด้วยแม่ชีป่วนเล่าจากประสบการณ์ที่ผ่านพบเมื่อรถมาถึงริมฝั่งคณะผู้สแสวงบุญลงเดินพระมาุเทศย้ำว่าเดินดีๆนะครับพระคุณเจ้าอย่าโยมก็เดินดีๆอย่าไปเหยียบกับระเบิดแขกเข้า ป, ปรรพชิต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 อดทนต่อการเดินทางไกลสองอดทนต่อความเพียรสามมีอาภาธน้อยสี่อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มรสแล้วย่อมย่อยไปด้วยดีและหาสมาธิที่ได้ขณะจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานแต่อานิสงส์ที่ทําให้ท่านพระครูได้จงกรมไม่มีในพระไตรปิฎก นั่นคือทุกอย่างเก้าที่ท่านเยียบย่างท่านรู้ว่าตรงไหนมีอุจจระแขกที่เอาซายทับไว้ท่านก็จะเลี่ยงไม่ไปเหยียบเข้านี่คืออานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมซึ่งไม่มีในพระไตรปิฎกการปฏิบัติตามคำทรงสอนของพระบรมศาสดา สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ทุกเมือ่อตายแล้วฉันเหยียบขี่แขกเข้าเสียงแม่ชีป่วนร้องขึ้นไปล้างในแม่น้ำสิพระมกุเทศแนะนำเรื่องอะไรฉันจะล้างทิ้งรองเท้าง่ายกว่าว่าแล้วก็สลัดรองเท้าฟองน้ำทิ้งไปประเดี๋ยวเหยียบอีกทีนี้ก็เปื่อนเท้าน่ะสิ พระเจริญทวงเปื่อนชั้นคอยล้างล้างเท้าง่ายกว่าล้างรองเท้าแม่ชียังคงยืนยันที่จะไม่ล้างรองเท้าเมื่อคณะผู้ปฏิบัติธรรมเดินไปถึงหมู่บ้านนางสุชาดาบรรดาเด็กๆ ก, ก, ก็พากันมารุมล้อมของเงินพระมกุเทศกำชับญาติโยมว่าให้ใจแข็งเกิดให้คนหนึ่งจะมารุมล้อมถึงกันเป็นร้อยๆ ท่านพระครูรู้สึกสงสารพวกเขาหากก็ต้องทำตามที่พระมะกุเทศแนะนำจึงได้แผ่เมตตาในใจให้พวกเขามีความสุขอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าพยาบาทเบียดเบียนกันอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิน้น พระมกุเทศบรรยายเรื่องราวของนางสุชาดาผิดไปจากพระไตรปิฎกและอัตถกถาเช่นบรรยายว่านางถวายข้าวมัทุปายาตแต่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผู้ซึ่งบำเพ็ญทุกขรกิริยาอดอาหารมานานถึง6ปีเรียกนางสุชาดาว่าพระนางสุชาดาและซ้ำร้ายกว่านั้นยังบอกอีกว่าพระนางสุชาดาได้บรรลุอรหัตผล และเป็นอรหันต์พระอณิสงที่ได้จากการถวายข้าวมัทุปายาตท่านจะต้องหาโอกาสทำความเข้าใจกับพระมกุเทศเพราะการบรรยายธรรมให้ความรู้แก่ญาติโยมหรือบรรพชิตถือว่าได้บุญมากแต่ถ้าให้ความรู้ไม่ถูกต้องก็ถือว่าบาปมากเช่นกัน